152. กัตถะปาทุกาธิปติกเขปะว่าด้วยทรงห้ามสวมเขียงเท้าไม้เป็นต้นเรื่องพระฉับพักขีสวมเขียงเท้าไม้250สมัยนั้นในเวลาเช้ามืดพวกภิกษุฉับพักขีลุกขึ้นสวมเขียงเท้าไม้เดินจงกรมในที่กลางแจ้ง มีเสียงกึกกักดังอึ ก, กทึกสนทนาเดริชานกถาต่างๆคือ 1. ราชกถาเรื่องพระราชา 2. โจรกถาเรื่องโจร 3. มหามัตต์คถาเรื่องมหาอามาตสี่เสนากถาเรื่องกองทัพ 5. พยกถาเรื่องภัยห ยุทธกถาเรื่องการรบ 7. จ็ดอณกถาเรื่องข้าว 8. ปานกถาเรื่องน้ำดื่ม 9. วัฏกถาเรื่องผ้า 10. บสยนกถาเรื่องที่นอน 11. มาลากถาเรื่องพวงดอกไม้ 12. คันทกถาเรื่องของหอม 13. ยาติกถาเรื่องญาติ 14. ญสานกถาเรื่องยาน 15. บาคาเมกถาเรื่องบ้าน 16. นิคมกถาเรื่องนิคม 17. บนครกรถาเรื่องเมือง 18. ชนะปทกถาเรื่องชนบท19 อิถีกถาเรื่องสตรี 20. ปุริสะกถาเรื่องบุรุษ 21. สูระุรกถาเรื่องคนกล้าหาญ 22. วิสิกขากถาเรื่องตรอก 23. มกุมมัฏฐานกถาเรื่องท่าน้ำา 24. ปุพเพเตตะกถา เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว 25. นานาณ ต, ตกระถาเรื่องเบตเะเล็ย 26. โลกักขายิกะเรื่องโลก 27. สมุทรทักขายิกะเรื่องทะเล 28. อิติภาวาภาวะกระถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเหยียบมแมลงตายบ้าง ทำภิกษุทั้งหลายให้คลาดจากสมาธิบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพรธนาว่าชะไหนพวกภิกษุฉับพักขีจึงลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดสวมเขียงเท้าไม้เดินจงกรมในที่กลางแจ้งมีเสียงกึกกักดังอึกกระทึกสนธนาเดรฉานคถาต่างคือ 1. ราชกถาเรื่องพระราชา 2. โจรกะถาเรื่องโจรละ 28. ่ิอิติภาะวะภวคาถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเหยียบมแมลงตายบ้างทำพิกษุทั้งหลายให้คลาดจากสมาธิบ้างเล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุฉับพักขีลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดสวมเขียงเทา้าไม้เดินจงกรมในที่กลางแจ้งมีเสียงกึกกักดังอึกระทึกสนธนาเดรัชฉานกถาต่างๆคือหนึ่งราชกถาเรื่องพระราชาสอง โจรกถาเรื่องโจรละ 28. ิอิติภาวะภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเหยียบมแมลงตายบ้างทำภิกษุทั้งหลายให้คลาดจากสมาธิบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค รันทรงตำหนิแล้วแสดงธรรมมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าไม้รูปใดสวมต้องอาบัตทุกกฎ